ต่อไปนี้จะพูดธรรมให้เป็นเครื่องเจริญสติปัญญาความรู้ความฉลาดในทางของพระพุทธศาสนาที่มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สามส่วนด้วยกันคือหนึ่งปริยัติ การศึกษาพระธรรมคําสอน 2. ปฏิบัติการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและ 3. ปฏิเวทการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานที่มีอยู่ 9. ส่วนด้วยกันคือมรรคผล สี่มักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับหากศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุ ถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะทางสู่มรรคผลนิพพานนี้เป็นทางที่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีพระบรารมีที่แก่กล้าอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในตอนที่ทรงดำรง บำเพ็ญตนที่มีชื่อว่าสัมมะโคโดมเพราะว่าไม่มีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานนี่ไปทรงศึกษาตามสำนักต่างๆก็จะได้รับความรู้เพียงระดับฌานสมาธิแต่ไม่มีผู้ใดรู้ เรื่องของมรสีผลสีนิพพานหนึ่งว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้มรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าเลยต้องศึกษาค้นคว้าหาทางด้วยพระองค์เองจนในที่สุดในคืนวันเพ็ญเดือนหก ในขณะที่ทรงพระชนพรรษาได้สามสิบห้าพรรษาได้เสด็จออกผนวชเป็นเวลาหกปีจึงได้พบทางที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผลี่ผ่านการศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องผ่านพระอรหันตสาวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาการบรรลุมรรผลในผ่านการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นกิตที่สำคัญ ที่เรียกว่าปริยัพคือการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพพระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการแสดงธรรมให้แก่พุทธบริสัตธสีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มี วันยกเว้นนอกจากเวลาที่ทรงพระประชวรเท่านั้นพระพุทธองค์จะมีพระพุทธกิจอยู่ห้าประการด้วยกันที่ทรงปฏิบัติเป็นกิจประจำวันซึ่งในห้ากิจนี้ก็มีสี่กิจด้วยกันที่เกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมพุทธบุตศาสตร คือให้ความรู้ให้การศึกษาแก่พุทธบอยสศสตว์สีเช่นในตอนบ่ายจะทรงแสดงทำให้แก่คารวะญาติโยอุบาศกุบาสิกาในตอนค่ำจะทรงแสดงทำให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรในยามดึกจะทรงแสดง ทำมาเทศนาให้แก่เทวดาทั้งหลายแล้วในตอนยามเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินทะบาทก็ทรงเล่งยานดูว่าวันนี้จะทรงไปสั่งสอนผู้ใดเป็นกรณีพิเศษนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการให้ความรู้แก่พุทธบอยสัตว์สี เพราะว่าเป็นกิจที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้จากทางนำเนินทางปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกทางเมื่อปฏิบัติไม่ถูกทางก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถากันได้ คือการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานอย่างแน่ดังนั้นพุทธบอยสัตว์ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่ควรมองข้ามการศึกษาไปเป็นอันขาดนละาจำเป็นจะต้องศึกษาไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเพราะถ้าไม่ศึกษาแล้วก็จะลืมหรือจะทำไม่ถูกขั้นตอนเพราะในขณะที่ฟังในแต่ละครั้งก็จะได้ยินได้ฟังขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นต่างๆที่ตนเองยังไปไม่ถึง พถ้าไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องพอพอตอนเองปฏิบัติถึงขั้นที่ยังไม่ได้ไปถึงที่ได้ทรงแสดงไว้ในการอบรมสั่งสอนพอถึงตอนนั้นอาจจะจำไม่ได้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ได้แต่ถ้ามันฟังอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าทาแต่ละขั้นนี้ จะเป็นธรรมที่เรายัางไปไม่ถึงก็ตามแต่ถ้าเราคอยฟังอยู่เรื่อยๆมันก็จะฝังลดลงไปภายในใจของเราพอถึงเวลาที่เราปฏิบัติถึงขั้นนั้นเราก็จะได้ไม่หลงไม่ลดิมเราก็จะได้เอ า, เอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมาเอามาใช้ได้ แต่ถ้าเราไม่ฟังเลยหรือฟังน้อยานานๆฟังสักครั้งหนึ่งก็จะอาจจะเรือนลางออกไปจากความจำของเราพอเวลาปฏิบัติเราก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราจึงไม่ได้ผลจากการปฏิบัติกัน แทนที่จะได้ความสงบก็จะได้ความทุกซ่านแทนที่จะได้ปัญญาก็กลับได้ความง่เข่าเบาปัญญาหรือความหลงแทนที่จะคิดเพื่อปล่อยวางก็คิดเพื่อผูกมัดแทนที่จะคิดเพื่อละความอยากก็จะคิดไปตามความอยาก แทนที่จะคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็กลับจะคิดไปในทางของความโลภความโกรธความหลงการฟังธรรมจึงเป็นการรับคำเตือนคำสั่งคำสอนเหมือนกับนักมวยที่ชกบนเวทีถึงแม้ว่าจะได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์อยู่ตลอดเวลา จนถึงเวลาขึ้นเวทีขณะขึ้นเวทีก็ยังต้องมีการฟังคำสั่งคำสอนเช่นในช่วงที่พักพักดื่มน้ำพักเอากำลังช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องมาคอยเตือนว่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้น ะ, ะเพราะว่าการปฏิบัติเวลาต่อสู้กับคู่ต่อสู้นั้น มันต่อยไม่ถูกไม่สามารถทำลายคู่ต่อสู้ได้พอเวลามีเวลาได้พักหนึ่งนาทีดื่มน้ำอาจารย์คู่สอนผู้สอนก็ต้องพยายามบอกให้ทาอย่างนั้นทาอย่างนี้เมื่อกี้ทำไม่ถูกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำอย่างนั้นทต้องทำอย่างนี้นะนี่แหละคือความสำคัญ ในการศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์คอยประกอบอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าครูบาอาจารย์จะต้องนั่งปฏิบัติกันเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่แต่ต้องมีการศึกษาได้ยินได้ฟังอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างที่ในมงคลลสตร ที่ได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวังเอตัมมังกาลมุตตมังกา ร, าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คือตามวันธรรมะสวัณ น, นี่เองคือวันพระเช่นวันขึ้นแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำ อันนี้เป็นปฏิทินทางจันทลคติซึ่งตกประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเจ็ดวันหรือแปดวันที่พุทธบรตยสัตว์ควรจะหยุดภารกิจการกระทาต่างๆไว้ชั่วคราวแล้วมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้ทบทวนดูถึงการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา ว่าเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือเพื่อมาเติมความรู้สำหรับการปฏิบัติขั้นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติต่อไปถ้าเราไม่ได้ฟังได้ศึกษาการอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องเราฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเป็นเดือนหรือเป็นปี สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจะจางหายไปภายในเวลาอันไม่นานภายในเวลาบางทีไม่ถึงเจ็ดวันเสียได้ซ้าไปก็จะลืมไปหมดแล้วก็จะกลับไปทำตามคำสอนของความหลงที่มีอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาให้หลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากมีสิ่งนั่นสิ่งนี้พอถูกความหลงกล่อมให้ทําตามความอยากแทนที่จะเดินก้าวหน้าสู่มรรคผลนิพพานก็จะเดินถอยหลังห่างออกจากมรรคผลนิพพานไปแต่ถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็จะเอา ธรรมะคำสอนของพระพระเจ้านี้มาต่อต้านความหลงที่จะคอยหลอกให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยาก ด, นนนนอากดูอยากรับประทานอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆทุกครั้งที่อยากจะเสกก็จะจำคำสอนว่าอันนี้เป็นการมฉันทะเป็นนิวรณ เป็นอุปสรรคต่อการนำเนินเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำใจให้เป็นสมาธิที่จะเป็นบาตเป็นฐานที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานตามลาดับต่อไปนี่คือขั้นต้นของความสำคัญขั้นที่หนึ่งที่สาคัญในการนำเนินของ ทางพระพุทธศาสนาก็คือปริยัติการศึกษาการศึกษาสมัยนี้เราก็สามารถศึกษาได้ในหลายรูปแบบด้วยกันไม่เหมือนในสมัยพระพุทธกาลที่มีรูปแบบเดียวก็คือต้องฟังเทศฟังธรรมแต่สมัยนี้เราได้มีพัฒนาการทางด้านสื่อสื่อสาร เราสามารถศึกษาได้หลายทางด้วยกันเช่นฟังเทศฟังธรรมอย่างสมัยพระปตะการอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้ก็เป็นทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ถ้าเราไม่ได้สามารถมาที่วัดเพื่อมาฟังธรรมได้อย่างนี้เราสามารถฟังธรรมผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตได้ ธรรมเทศนาที่แสดงไว้ในวันนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องบันทึกแล้วก็จะถูกบรรจุไว้ในในสื่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วผู้ที่อยู่ที่ไหนในโลกนี้ที่สื่ออินเทอร์เน็ตไปถึงก็สามารถที่จะรับฟังได้เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้เลย คนเนี่ยสมัยนี้เดี๋ยวนี้ฟังเทศฟังธรรมได้ทุกแห่งทุกคนมีลูกศิษย์อยู่ประเทศแคนาดาก็มีทางยุโรปก็มีทางสหรัฐก็มีมีแทบทุกประเทศเลยหรือทุกทุกทวีปมีลูกศิษย์ได้ฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องแล้วพอได้ฟังแล้วเขาก็จะได้มีอะไร คอยเตือนใจมีธรรมคอยเตือนใจไม่ให้หลงทางไม่ให้หลงไปกับความโลภความโกรธความหลงไม่ให้หลงไปกับความอยากต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือหนังสือธรรมะที่ได้คัดลอกรรมที่แสดงไว้ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในสื่อที่เป็นแผ่นซีดี หรือในสื่อที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เอามาพิมพ์เป็นหนังสือก็สามารถหยิบหนังสือไปอ่านได้ทุกคนทุกแห่งแล้วก็มีแผ่นซีดีที่จะสามารถเปาไปเปิดฟังได้ตามสถานที่ต่างๆตามบ้านหรือในขณะที่เดินทางอยู่ในรถยนต์ก็สามารถเปิดซีดีฟังได้ สมัยนี้เราจึงมีช่องทางมากกว่าสมัยพระพุทธการโอกาสที่เราควรจะบรรลุ น, นี้จงมีมากกว่าในสมัยพระพุทธการหลายเท่าด้วยกันสมัยพระพุทธการนี้มีเพียงช่องทางเดียวต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาหารหันตสาวกแต่เดี๋ยวนี้เรา มีวิธีฟังเทศฟังธรรมได้หลายวิธีและสามารถฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าเราอยากจะฟังเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีอย่างนี้ให้หลุดมือไปคนที่จะรีบขวนขวายตักตวงเพราะทาคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ฝังไว้อยู่ในใจของเราไม่ให้ลืมถ้าไม่ลืมแล้วต่อไปถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ยังจะมีธรรมที่เราจดจําได้อยู่ภายในใจของเรานี้เป็นเครื่องเตือนใจนัออ้นควรที่จะฟังธรรมทุกวันเลยสมัยนีออ้อย่างน้อยฟันละวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีวันละหนึ่งชั่วโมง สมัยที่เราไปศึกษาอยู่กับหนวงตาสมัยนั้นยังไม่มีซีดีไม่มีเทปมีเทปแต่ยังไม่ได้มีเครื่องเล่นมีการบันทึกเก็บไว้แต่ไม่มีเครื่องเล่นไม่เปิดฟังก็ไปด่าห น, บบนังสือธรรมะของท่านเราก็จะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านวันละหนึ่งชั่วโมงการอ่านหนังสือธรรมะของท่านก็เป็นเหมือนกับการฟัง เทศจากปากของท่านเลยเพราะหนังตัวหนังสือทึกตัวหนังสือที่ถูกจาวด้ยไว้ก็ถอดออกมาจากเครื่องบันทึกเสียงทุกคำขณะอ่านไปด้วยมีด้วยใจที่จดจ่อมีสติไม่เลื่อนรอยไปไหนใจก็จะนิ่งจะสงบเหมือนกับได้ฟังจากท่านโดยตรงเลยเราจึงมักจะ อ่านหนังสือธรรมะของท่านวันละหนึ่งชั่วโมงหนังสือที่ท่านมีในสมัยนั้นมีอยู่ไม่มีอยู่หลายเล่มเราได้อ่านหมดทุกเล่มอ่านแล้วมันก็เข้าใจคําสอนของท่านเข้าใจภาพรวมของคําสอนของท่านว่าท่านสอนไปตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไร มันก็เลยทำให้ไม่มีความสงสัยเวลาปฏิบัติเพราะมันเห็นชัดเห็นทางอยู่ชัดตลอดเวลานั่นเองไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนก็ตามขั้นของศีลก็ไม่สงสัยขั้นของสมาธิก็ไม่สงสัยขั้นของปัญญาก็ไม่สงสัยขั้นของการหลุดพ้นก็ไม่สงสัย เพราท่านแสดงไว้ทุกขั้นทุกตอนนั่นเองแล้วพอเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นตามที่ท่านแสดงไว้ทุกขั้นทุกตอนตรงไหนเป็นอุปสรรคตรงไหนเป็นอันที่จะทำให้หลงให้ติดอยู่ท่านก็เตือนไว้ก่อนเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปแล้วมีถนนช้ำรดแล้วมีคนที่มีความปรารถนาดีก็ เอาป้ายมาปักไว้หรือเอาสิ่งอกีดขวางมาวางไว้ข้างหน้าเพื่อจะได้เตือนผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้ไว้ก่อนจะได้ไม่หลงขับเข้าไปในส่วนที่ชำรุดแล้วทำให้เกิดความเสียหายให้แก่รถยนต์และชีวิตได้อันนี้ก็เหมือนกันท่านจะคอยปักป้ายบอกไว้เลยวว่ามาถึงตรงนี้ ระวังนะจะติดตรงนี้มาถึงตรงนี้ระวังจะเลี้ยวผิดทางแทนที่จะไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวากันเนี่ยคือประโยชน์ของการที่เราจะได้รับจากการศึกษาฝังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้เรื่องหน้าว่าข้างทางข้างหน้าที่เราจะเดินไปนั้นมีอุปสรรคอะไรบ้างมีส่วนไหนที่เรา ควรระมัดระวังเพราะทำทุกขั้นนี้ก็จะมีกับดักที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นจะติดแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้าไม่ก้าวหน้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่รู้ทางคอยบอกแล้วก็ผู้ที่ไม่รู้ก็ควรที่จะศึกษา อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแต่การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้การศึกษาเป็นเพียงขั้นที่หนึ่งขั้นต้นต้องมีขั้นที่สองตามมาถึงจะพาผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ขั้นที่สมได้ก็คือขั้น บรรลุบัพผลนิพานเมื่อเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเราก็ต้องปฏิบัติเช่นเรารู้ว่าขั้นต้นนี้เราจะต้องทำทานเพื่อที่จะกำจัดความโลภความอยากได้ในข้าวของเงินทองในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในาบยศสละเสริญเพราะชีวิตของผู้ที่หลงทางนี้จะถูกกิเลสหลอกให้เห็นว่าการหาลาบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายเป็นการนำชีวิตไปสู่ความสุขนำไปสู่การพ้นทุกนั่นเองเราจึงหลงกับการหาเงินหาทองหาชื่อหาเสียง หาเกียรติยศหาตำแหน่งหาการยกย่องสรรเสริญเยินยอหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกมนิ้วกายอย่างแบบงหัวไม่ขึ้นหามาเท่าไหร่แทนที่ความทุกข์จะหมดไปหรือน้อยลงไปมันกลับมีเพิ่มขึ้นมามาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ความสุขทางความทุกข์ทางร่างกาย แต่เราไม่เห็นความทุกข์หรือความสุขทางจิตใจกันร่างกายเราหรือความรู้สึกนึกคิดของเราอาจจะมีความสุขที่เราสามารถทำอะไรตามที่เราต้องการได้เวลาเรามีเงินมีทองเราอยากจะได้อะไรเราก็ซื้อได้เราอยากจะรับประทานอะไรอยากจะดื่มอะไรเราก็ดื่มได้รับประทานได้ เราก็คิดว่านี่แหละคือความสุขดับความทุกข์แต่เราไม่เคยมองเข้าไปในใจเลยว่าแล้วใจของเราสุขหรือไม่พอหรือไม่หรื อ, อยังเล่นอยู่อยากตะเกียกตะกายอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอยู่เฉยๆทีไรมักจะมีความไม่สบายใจขึ้นมาเสมอเวลาอยากจะทำอะไร อยากจะดื่มอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรอยากจะรับประทานอะไรพอไม่ได้ทําก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคานใจขึ้นมาอันนี้เราจะมองไม่เห็นกันพราะเวลาเกิดความอยากแล้วเราต้องรีบทําตามความอยาก ท, าทันทีเพราะเรากลัวความหงุดหงิดกลัวความลำคานใจที่จะตามมาเราจึงคอยปิด ความทุกข์ใจไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้วยการทําตามความอยากอยู่เรื่อยๆแต่พอวันไหนที่เราไม่สามารถทําตามความอยากได้วันนั้นล่ะเราจะไม่สามารถที่จะปิดความทุกข์ที่จะเกิดจากความอยากนี้ได้อีกต่อไปเวลานั้นชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ เช่นเวลาเราตกละกรรมลําบากไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองไม่สามารถทําตามความอยากได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะดูอยากจะฟังก็ไม่สามารถทําได้เวลานั้นนะ่ะจะมีเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจแต่ก็ไม่เห็นโทษของของความทุกข์กันนี้ว่าเกิดจากความอยากกลับไป็น ว่าเกิดจากความไม่มีเงินทองที่จะมาตอบสนองความอยากก็เลยแทนที่จะหยุดความอยากก็ไม่หยุดแต่กลับไปหาเงินทองมาเพื่อที่จะมาตอบสนองความอยากและการหาเงินทองก็จะเป็นไปล่อแหลมต่อการสร้างปัญหาตามมาในเมื่อไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองได้ด้วยวิธีที่สุดเจริญ ถูกกฎหมายถูกศีลถูกธรรมก็จะต้องหามาด้วยวิธีทุจริตผิดกฎหมายพอหามาด้วยวิธีนี้ก็ยิ่งมาเพิ่มความทุกข์ใจขึ้นมีให้มีมากขึ้นไปเพราเมื่อได้ทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมแล้ ว, ลวใจก็จะไม่สบายเพิ่มมากขึ้นจากการกระทาที่ไม่ถูกต้องนี้แล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องถูกจับไปลงโทษทางด้านกฎหมายก็อาจต้องไปติดคุกติดตารางทางด้านจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ยังต้องไปติดคุกในอบายต่อไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกต่ออันนี้เกิดจากการที่ไม่เห็นโทษของความอยาก ไม่รู้ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นอยู่ที่การหยุดความอยากไม่ใช่ทำตามความอยากอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระพุทธศาสนานี้จะไม่เข้าใจหลักของการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยจะแก้ปัญหาแบบมัดตัวเองให้แน่นขึ้นไปอีกแทนที่จะถอดปมออกกลับผูกปมเพิ่มเข้าไปอีก ให้มันถอดยากขึ้นไปอีกด้วยการทำตามความอยากทำตามทำโดยผิดกฎหมายผิดศีลและธรรมแทนที่จะอดทนอดกลัน้นต่อสู้กับความอยากไม่ทำตามความอยากหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ไม่ทำกันใจก็เลยถูกความอยากครอกํา สู่ความอยากชุดลากให้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่ห่างไกลจากนักผลไม่พานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่การหยุดความอยากไม่ใช่แก้ด้วยการกระทำตามความอยาก ยิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทําให้มัดตัวเองให้ติดอยู่กับวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้แน่นมากขึ้นไปทําให้ดิ้นหลุดได้ยากขึ้นไปตามลําดับจนกระทั่งจะไม่มีความสามารถที่จะดิ้นหลุดได้เลยก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุกขี่พระองค์ก็ตามบุคคลที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยกตนเองให้หลุดพ้นจากความครอบงำของความหลงของความอยากได้เพื่อเข้ามาสู่การศึกษาการฟังเทศฟังธรรมเข้าสู่แสงสว่างแห่งธรรมได้บุคคลเหล่านั้นก็จะต้องก็จะไม่ได้รับประโยชน์ จากการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีพวกที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ได้เรื่อ ย, อยแล้วก็เข้าใจถึงวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงว่าอยู่ที่การหยุดความอยากก็พยายามที่จะปฏิบัติตาม ทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้ทำทานรักษาศีลภาวนาก็พยายามทำไปเรื่อยๆตายจากชาตินี้กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังจําได้ก็จะทำต่อถ้ายังถ้าจไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ทำต่อจนกว่าจะได้ไปพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของของผู้ที่มีความรู้ ในระดับต่างๆสอนเพราะว่าคำสอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ขา้นทานและศีลนี้ก็เป็นคำสอนของของผู้อื่นได้เหมือนกันผู้อื่นก็เห็นความสำคัญในการทำทานในการรักษาศีลเหมือนกันในการนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้ เรื่องของการเจริญปัญญาเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุขั้นสูงสุดก็คือขั้นรูปปัจจานารูปปัจจานคือขั้นสมาธิเท่านั้นที่เป็นยังที่ยังติดอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจทุกขังอนัตตายอยู่ แต่ถ้าได้ศึกษาคำสอน ร, ระดับปัญญาของพระพุทธเจ้าจะเป็นจะสามารถก้าวขึ้นสู่เหนือขั้นของวัตตจักรได้ขั้นของที่อยู่เหนือตายรักได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็คือขั้นของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขั้นเหล่านี้จะอยู่เหนือกฎของตายรักได้ แต่ต้องมีผู้ที่รู้วิธีที่จะก้าวสู่ขั้นนี้ได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะรู้กันเพียงระดับขั้นรูปปัจจานารูปปัจจานก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยก็ยังจะบำเพ็ญเพื่อลอรับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปได้ ถ้าทุกพบทุกชาติเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังสามารถได้ทำทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้อยู่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในข่ายที่จะมีโอกาสได้หลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เวลาที่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะติดเป็นนิสัยไปจะพยายามทำทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆบำเพ็ญจิตตะภาวนานั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถก้าวขึ้นจากระดับฌานขึ้นไปสู่ระดับมรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งได้ พราะจำเป็นจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ว่าไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดจากดินน้าลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทรมาจากธาตุสี่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆหรือบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉะก็เป็นร่างกายที่ได้มาจากการผลิตของธาตุสี่ดินน้ำลมฝฟยนี่แล้วเมื่อร่างกายนี้หยุดทำงานร่างกายนี้ก็จะกลายไปเป็นดินน้ำลมไอยตามลำดับต่อไปนี่คือธรรมที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าที่รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าผูดด้ใดไม่รู้ความจริงอันนี้ก็จะเกิดความอยากให้สิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราให้อยู่กับตนไปนา น, าน พอเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆานก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแทนที่จะหยุดความอยากก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาสิ่งที่ตนอยากให้อยู่อยู่กับตนไปให้ได้ยิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งพยายามทำตามความอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้แหละเป็นการมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นว่าต้องปล่อยวางเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์ได้ต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเห็นความจริงอันนี้แล้วปฏิบัติตามความจริงอันนี้ได้ก็คือหยุดความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์เพราะอยากไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงนั่นเองอยากเท่าไหร่ก็ไปห้ามสิ่งที่เป็นอนิจจังให้เป็นนิจจังไปไม่ได้จะไปให้สิ่งที่เป็นอนัตตา <int? S 1> เป็นอัตตาไปก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ใจไม่ยอมอยู่กับความจริงใจอยากจะอยู่กับความอยากชอบอยู่กับความอยากพออยู่กับฝ่ายอยากก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ถ้าอยู่กับความจริงก็จะอยู่กับความพ้นทุกข์นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ด้วยพระองค์เองเมื่อทรงรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายอย่างพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วพอรู้ตามแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับความจริงได้ไม่อยู่กับความอยากเปลี่ยนเปลี่ยนพักเปลี่ยนพวกก็ยอยู่กับสีขาวก็ไม่อยู่กับสีดำหรือเคยอยู่กับสีเขียวก็ไปอยู่กับสีฟ้าเ็อยู่กับความอยากก็ ย้ายมาอยู่กับความจริงความจริงเป็นอย่างไรก็เอาอย่างนั้นตอนนี้แก่ก็อยู่กับความแก่ตอนนี้เจ็บก็อยู่กับความเจ็บตอนนี้ตายก็อยู่กับความตายจะไม่อยู่กับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะถ้าอยู่กับความอยากแล้วจะทุกข์ทรมานใจถ้าอยู่กับความจริงแล้วจะเย็นสบายจะไม่เดือดร้อน นี่คือใจของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านอยู่กับความจริงเสมอท่านไม่อยู่กับความอยากไม่มีความอยากอยู่ในใจของท่านใจของท่านจึงไม่มีความทุกข์มีแต่ป aramang s u k h a เท่านั้นนี่แหละคือมรซีผลซีนิพานหนึ่งที่เราจะได้จากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพธเจ้า เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ได้เลยจะเข้าถึงได้มากก็แค่ขั้นทานสีนสมาธิก็คือขั้นฌานรูปฌานอรูปฌานขั้นสีลขั้นทานก็ขั้นเทวโลกนี้เองผู้ใดทำทานได้รักษาสีลได้ผู้นั้นก็จะไปสู่เทวโลก ผู้ใดนั่งสมาธิได้ก็จะไปสู่พรมโลกสู่โลกสู่พรมโลกที่มีสองคืออารูปภพมกับรูปภปพมขึ้นอยู่กับสมาธิที่ได้ว่าอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ในขั้นรูปประชานก็จะได้รู ป, ประผม์ถ้าอยู่ในขั้นอารูปประชานก็จะได้ขั้นอารู ป, ประผม์แต่จะต้องเสื่อมกลับลงมา จากขั้นสูงลงมาสู่ขั้นต่าตามลำดับจนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าไม่สามารถทำบุญทำทานรักษาสีธรรมนาได้มีแต่ทำบาปทำกรรมตายไปก็จะไม่ได้กลับไปสู่พรมโลกสู่เทวโลกก็จะไปที่เดลฉานแทนไปอบายแทนไปเป็นเปรตแทนไปนรกแทน เพราะไม่สามารถรักษาศีลได้นั่นเองก็จะมีการขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้ไปสลับกันไปสลับกันมาตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติแต่จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทบ พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับคำสอนคือพบอริยศาสต ร, ร์สี่พบอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะสามารถที่จะก้าวออกจากแรงดึงดูดของวัตตะแห่งการเงินว่ายตายเกิดได้ก็มีผู้ที่สามารถก้าวออกจาก ความดึงดูดของวัตะสังสารวัตนี้ได้เป็นจนํานวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนก็ปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมากตามลําดับมาจนถึงปัจจุบนันนี้ในเพียงระยะช่วงเวลาเจดเดือนแรกของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนคือทรงเริ่มเผยแผ่ในวันเทนเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาห บ, บูชา มาจนถึงวันเพนเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบบูชานี้ก็ตกเป็นเวลาเจดเดือนด้วยกันในวันนั้นก็ปรากฏมีพระอาหัยกระสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีจํานวนถึงหนึ่งันสองรห้าสิบรูปด้วยกันที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้รัดหมายกันมาก่อน มาจากทุกสารทิศไม่ได้อยู่ร่วมกันต่างองค์ต่างไปอยู่ตามที่ต่างๆกันเพื่อไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่พระพุทธของพระพุทธเจ้าให้แก่สารโลกทั้งหลายเพื่อสารโลกจะได้มีโอกาสได้รับรู้ความจริงและปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ระยะเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นก็ปรากฏมีถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแต่ ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้แม้แต่องค์เดียวเป็นเวลาเป็นกลับเป็นการเลยเพราะเป็นช่วงว่างจากพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นได้อันตรธานหายไปจากความทรงจำของสาโลกแล้วไม่มีใครจําได้แล้วไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครปฏิบัติแล้วจึงไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียว แต่พอหลังจากที่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดจารุแล้วมาประกาศรำำกากพระธรรมคําสอนก็ปรากฏมีผ้าอานันโผล่ขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเลยเหมือนกับเวลาที่ฝนตกพอฝนตกไม่นานลองไปเดินในป่าจะมีดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ในช่วงฤดูแร้อเช่นช่วงหน้าหนาวนี้จะไม่เห็นมีเห็ดเลยในช่วงฤดูร้อนช่วงที่ไม่มีฝนตกจะไม่มีเห็ดโผล่ขึ้นมาเลย ผลนี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธศาสนานี้เองส่วนเหตุก็คือก็คื อ, คอพระอาหารหันต์ที่จะโผลตามการปรากฏของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนนี้เองแต่จะปรากฏได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาตริยิกเกิดจากการปฏิบัติถึงจะได้ปฏิเวทถึงจะได้บรรลุมรกคสีผลสีนิพพานหนึ่ง จะต้องมีทั้งสองส่วนไม่ใช่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นต้องมีศึกษาและมีการปฏิบัติถึงจะมีปฏิเวทมีการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งถ้ามีแต่การศึกษาไม่มีการปฏิบัติซึ่งในสมัยนี้จะมีกันว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็ได้ศึกษากันผู้ที่มาบวชเรียนก็ได้ศึกษากันแต่ ไม่ได้ปฏิบัติกันปฏิเวทผลคือมรกคสีผลสีนิพพานหนึ่งจึงไม่เพ่อยมีปรากฏขึ้นมาจะมีปรากฏอยู่ในวงของผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจึงปรากฏ ม, มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาเช่นวงปฏิบัติของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์มันผู้เป็นผู้ที่เหมือนกับตึกฟื้นการปฏิบัติ ขึ้นมาในยุคสมัยปัจจุบันนี้เมื่อก่อนหน้านั้นก็มีการศึกษามากกว่าการปฏิบัติแต่พอหลวงปู่มั่นท่านมาเน้นเรื่องของการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติก็จึงเกิดปฏิเวทคือเกิดการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมากันเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้น พวกเราต้องให้ความสาคัญต่อขั้นตอนของการดำเนินของพระพุทธศาสนาทั้งสามขั้นตอนนี้โดยเฉพาะขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองส่วนขั้นที่สามนี้เราไม่ต้องไปกังวลถ้ามีขั้นที่หนึ่งมีขั้นที่สองขั้นที่สามจะตามมาเองเพราะขั้นที่สามนี้เป็นผลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้เป็นเหตุการศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นเหตุ ที่จะทําให้เกิดขั้นที่สามตามมาดังนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้อยู่กับการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาและการปฏิบัติที่แท้จริงนี้จะไม่ยากกันจะไปพร้อมๆกันศึกษาวันนี้ฟังธรรมวันนี้ชั่วโมงเราเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วอีกวันนึงพรุ่งนี้เราก็มาศึกษาใหม่มาฟังเทศใหม่มาอ่านหนังสือธรรมะใหม่ แล้วเราก็ไปปฏิบัติต่อทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยแล้วจะไม่หลงทางเราจะไม่ติดอยู่ตรงไหนนี่คือขั้นตอนในการที่จะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของทางพระพุทธศาสนาเราไม่สามารถข้ามขั้นตอนหรือตัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทิ้งไปได้จาเป็นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ถึงจะได้ผลที่เราปรารถนากันอย่างนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะมีความจริงใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเวลาฟังธรรมฟังแบบไหนฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็คือฟังไปแต่ใจไม่สัมผัสรับรู้เลยใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แทน ปอให้เสียงทำเข้ามาทางหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ผ่านเข้ามาไม่ข้าผ่านเข้าไปอยู่ในใจเลยถ้าฟังอย่างนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะจะไม่สามารถปฏิบัติอย่างถูกต้องได้พอไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแตนะ่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกนอันนี้ก็จะรับรู้คําสอนทุกบทกบ ท, ทุกบาททุกคําสอน แล้วก็จะจดจําเอาไว้ภายในใจเพื่อจะได้นําเอาไปปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้องพอปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วมรซีผลซีนิพานหนึ่งก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนนี่คือที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้ขอให้เราอย่าไปหลงว่าที่พึ่งของเราอยู่ที่พระธาตุอยู่ที่พระพุทธรูปอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์ อยู่ที่ปริยัติอยู่ที่ปฏิบัตินี้เท่านั้นเพราะถ้าเรามีปริยัติมีปฏิบัติเราจะมีปฏิเวทเรามีปฏิเวทเราก็จะมีที่พึ่งคือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองผมขอให้เราอย่าหลงประเด็นกันไปเสียเวลากับการไปกราบพระธาตุที่นั่นที่นี่ไปถึงประเทศอินเดียกลับมาแล้วเป็นยังไงกิเลสหลุดไปบ้างหรือเปล่ปาะ ความอยากหายไปบ้างหรือเปล่าความทุกข์หมดไปหรือเปล่ามันไม่ได้อะไรเลยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่คนที่เชื่อแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องไปให้เสียเวลาคนที่ยังไม่เชื่อว่ า, าศาสนาพุทธนี้มีจรงิงอาจจะต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปหาหลักฐานของพระพุทธเจ้าว่าครั้งหนึ่งครปรากฏอยู่ที่ตอสถานที่ตรงนี้ อย่างนี้สําหรับพวกที่ไม่เชื่อก็เป็นประโยชน์แต่สําหรับพวกที่เชื่อแล้วก็อย่าเดินถอยหลังต้องเดินเดินไปทางข้างหน้าทางข้างหน้าของเราก็คือเข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่การศึกษาเข้าสู่การบรรลุมรรผลผนิตรานดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเพื่อปฏิเวษ คือมรสีพ้นสีนิพพานหนึ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปูราปริโุเรนติสาคลรังเอวัเมวะอิโตชินงังเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนาระยธามณิโชติระโยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัปปรุโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภะ อาพิวาธนสีฤิธสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัทานติอายุวโนโอสุขังภาลังท่านที่ต้องการที่จะมารับหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามารับได้ท่านต้องการจะถวายข้าวของก็เชิญเข้ามาได้ ท่านที่อยากจะถามคําถามก็เข้ามาถามได้อ่าจะหยิบได้นะถ้าต้องการหนังสือซีดีหรืออจะถามปัญหาถามเอออยากทราบคำว่าเอ่อกุศลธรรมมาพระธรรมเจ็ดบทเนี่ยบทไหนบ้างคะ คือเป็นการรวบเอาคำสอนของพุทธเจ้ามารวมกันเพื่อให้เรารู้หัวข้อสำคัญต่างๆกุศลาแปลว่ากุศลคือความคิดที่ฉลาดที่ตรงกับความจริงไม่ตรงกับความหลงเช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตต า, านี้เรียกว่ า, า, ากุศลาอกุศลาก็คือความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ตรงกับความจริง ที่คิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นสุขเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เรียกว่าอากุศลาเป็นเพียงการมารวบรวมหัวข้อธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างๆแล้วก็มาสวดกันเป็นพิธีกันไปเท่านั้นเองซึ่งการสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายนี่ก็เป็นเหมือนนกแก้วดีๆนี่เองแก้วเราสอนให้นกแก้วว่าแก้วจา๋าแก้วจา๋า พอเราเอาแก้วให้มันมันก็โยนทิ้งมันจะเอาแต่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าว่าจาใจไหมพวกเราก็เหมือนกันสวดกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพอเอาธรรมะให้ก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งพอให้เงินมาก็แย่งกันว่ <c oughs> าใจาไหมงั้นอย่าไปติดกับเรื่องบทพระอภิธรรมพระอะไรที่เขาสวดกันในงานศพต่างๆนี้คนสวดก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่อง ส่วดกันไปเพื่อจะได้มันจบจบเป็นพิธีเผาศพได้เท่านั้นเองลำ จ, จริงการเผาศพนี่ไม่ต้องสวดแล้วขอให้มันมีฟืนก็พอแล้วมีฟืนมีไฟตั้งเหมือนไว้ก็เผาได้แล้วไม่ต้องมาสวดให้มันเสียเวลาเข้าใจไหมสวดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะสวดกันก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่ฟังเวลาพระสวดก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันวันนี้ทําอะไรมาได้เงินกี่ล้านไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ดังถ้าอยากจะศึกษาต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราศึกษาไม่รู้เราก็ต้องหาคําแปลเดี๋ยวนี้มีคำสอนที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยมากมายไปหามาอ่านเดีย๋ยวนี้เขาจัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกอันนี้เขาคัดบทสําคัญสําคัญเรื่องรางสาคัญต่างๆที่มีจารด้วยกันในพระไตรปิฎกนี้เอามาสอนชาวพุทธเราความจริงชาวพุทธเรานี้ทุกคนควรจะเรียนนัก พักศูนย์นักทำตีโทเอกกันแต่ไม่เรียนกันจะไปเรียนจิตวิทยาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรียนอะไรกันแต่ไม่เรียนของดีคื อ, อนักธทำตีโทเอกเนี่ยถ้าโยมอยากจะรู้ก็ลองไปหาหนังสือหล่านี้มาอ่านดูไม่งั้นก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์ต่างๆก็ได้ท่านก้าวแต่ หัวข้อสำคัญสำคัญเอาหัวใจมาสอนเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะในพระไตรปิฎกนี่เป็นเป็นเหมือนหนังสือทั้งมีทั้งพระธรรมคำสอนและมีทั้งประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปมีการเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆเล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านประทับอยู่ที่ไหนมั่งเบียเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นเป็นความรู้เสริม แต่ความรู้หลักก็คือํำเทศที่พ่ะองค์ทรงสอนว่าสอนให้ทำอะไรกันบ้างโดยเฉลบก็สอนให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาอาจานะถ้าทำอะหรืออยากแล้ว่าลงหายใจ ก็เาหายใจเราก็รู้สิเวลาใจหายใจมันละเอียดหายใจหยาบมันเป็นไงก็ทําไมจะไม่รู้ก็ดูมันเลไม่ดูมันจะไปรู้ได้ยังไงสังเกตดูเลยหายใจสั้นหายใจยาวบางช่วงใจก็หายใจสั้นบางช่วงก็หายใจยาวบางช่วงก็ลมหยาบ ก, ก็ลมแรงเรียกหยาบพอลมเบาก็เรียกว่าลมละเอียด ถ้าใจสงบมากเท่าไหร่มันก็จะละเอียดนี่แสดงว่าใจไม่เคยสงบเลยมันเลยไม่เคยเห็นลมละเอียดว่าเป็นยังไงเห็นแต่ลมหยาบอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดเป็นยังไงอาจจะไม่ใช้ลมไม่ได้ใช้ลมดูด้วยซ้าไปใช้ใช้ใ ช, ใช้ใช้ดูจิตอย่างเดียวดูมันคิดดูมันปรุงแต่งดูมันพุง่ง ดูไปจนมันตายมันก็ไม่มีวันที่สงบถ้าจะดูลมก็ดูที่ปลายจมูกแล้วก็นั่งดูไปเวลาดูลมนี่จะเวลาอยู่ในท่าอื่นนี่ดูไม่ได้เพราะว่ามันละเอียดเกินไปที่จะดูได้เวลาเราเดินเวลาเราทำอะไรนี้ดูลมไม่ออกแต่เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะไม่ ไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็จะสามารถเห็นส่วนที่ละเอียดกว่ากว่ากว่าได้ก็คือเห็นส่วนของลมได้แต่เวลาร่างกายเคลื่อนไหวนี่เราจะเห็นส่วนที่หยาบ ก, กว่าเช่นเห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหวไปมาทำนั่นทำนี่แต่ถ้าจะดูลมนี้ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คอยสมคอยดูลมที่สัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูก ถ้าต่อไปก็จะเห็นว่ามันหยาบหรือมันละเอียดถ้าจิตเริ่มสงบลงไปลมก็จะละเอียดลงไปละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถเห็นได้รับรู้ได้ก็จะคิดว่าไม่ได้หายใจผู้ที่ดูลมมักจะมาติดตรงนี้พอไม่เห็นลมก็คิดว่าไม่ได้หายใจก็กลัวตายขึ้นมาก็เลิกเลิกนั่งกลัวจะตาย แต่ถ้านั่งต่อไปให้รู้ว่าลมมันละเอียดจนเราไม่สามารถรู้ได้ก็ให้รู้อยู่กับ ว, ว่ามันไม่มีลมให้รู้ต่อไปให้รู้อย่างต่อเนื่องไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวลมจิตมันก็จะรวมปล่อยลมไปในแยกกันไปเลยลมก็หายไปจากความรับรู้จิตเข้ารวมเข้าสู่ความสงบอันนี้เรียกว่าอานาปณะสติ อันนี้จะใช้ในขณะที่นั่งในขณะที่เดินจงกรมหรือทํากิจอะไรต่างๆนี้เราไม่ดูลมเราดูกิจกรรมของการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันไม่ใช่แปลงฟันไปก็คิดถึงอาหารมื้อต่อไปจะกินอะไรดีแล้วฟันไม่สวยเลยเดี๋ยต้องไปหาหมอฟันมาแต่งฟันเท่าหน่อยอันนี้ไม่ได้อยู่กับการแปลงฟันนะ ทำอะไรก็ต้องให้อยู่ขอ ง, งานนั้นๆใจจะได้ไม่ลอยไปลอยมาใจจะได้ตั้งการตั้งมั่นของใจก็เรียกว่าสมาธินี่แล้วเวลาการสงบเขาถึงจะเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือคันิกะสมาธิสงบอย่างเต็มที่แล้วตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสงบแล้วตั้งอยู่ได้เดียววก็ถอนออกมาเรียกว่าคันิกะสมาธิ ส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่สงบแล้วไม่ไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่กับความว่างกลับออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆรู้เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏเหมือนกับดูภา พ, พ ย, ายนตร์มีทั้งภาพที่ดีบ้างภาพที่ไม่ดีบ้างภาพหน้ารักบ้างภาพน่ากลัวบ้างท่านบอกว่าอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ รื้เสียงก็ดีกลิ่นก็ดีความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าไปอยากไปชอบไปรักไปชังเขาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แล้วก็จะเสียเวลาเพราะจะไม่ได้ทาให้ใจมีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหาความอยาก ที่เป็นงานที่เราจะต้องทําต่อไปหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คืออุเบกขาความนิ่งเฉยของใจความปล่อยวางการจับใจจะนิ่งเฉยได้ต้องอยู่กับความว่างไม่มีอะไรให้รับรู้ถ้ามีอะไรรับรู้แล้วใจมันจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีจะเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาทันทีก็จะเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมา แทนที่จะมีกําลังหรือลดกําลังของความอยากไม่อยากก็กลับไปสร้างความอยากไม่อยากในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธินั่นเองพ อ, อ, อจากสมาธินี้ออกมาก็จะไม่มีกําลังอุเบกขาที่จะมาต่อสู้กับความอยากได้ออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากปั๊บมันก็ลากไปเลยไม่ดึงมันไว้ไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาออกมาพอจะออกจากความอยากก็ดึงมันไว้ได้ แล้วถ้ามีปัญญามาสอนใจก็ตัดมันได้เลยเนี่ยคือสมาธิที่เราควรที่จะระมัดระวังคือ <Okay. S 1> อ, อุปจาระสมาธิการที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมีอภิญญาต่างๆก็อยู่ในอุปจาระสมาธินี่เราเลิกชาติได้มีตาที่ติดต่อกับเทวดาได้นี่ก็อยู่ในขั้นอุปจาระตรงนั้น แต่เรายังไม่ควรที่จะ ย, ยู่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเ อ, อื้อต่อการาบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเราต้องเข้าหาอุปะจะท่องเข้าหาอัปปนาสมาธิเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาแล้วให้มันว่างไปเป็นอุเบกขาไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เราค่อยเวลาถอนออกมาเราจะได้มีกำลังเอามาใช้ต่อสู้กับปัญหาความอยากเพื่อการบรรลุมรรคสีผลสี่นิพพา 1. นอย่างนี้แต่หลังจากที่เราบรรลุนิพพานแล้วทีนี้ถ้าเรามีอุปจารสมาธิเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ใช้ติดต่อกับเทวดาได้สั่งสอนเทวดาได้ตอบปัญหาให้กับเทวดาได้ หลวงปู่มั่นท่านก็ใช้อุปจาระสมาธินี้ไว้สั่งสอนเทวดาแต่ตอนที่ท่านบําเพ็ญเพื่อมรักสีพ้นสีนิพพานหนึ่งท่านจะไม่มายุ่งกับอุปจาระสมาธิท่านจะดึงจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเพียงอย่างเดียวดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องระมัดระวังถ้ามีนิสัยที่จะไปเข้าสู่อุปจาระสมาธิได้ต้องอย่าเข้าไปเพราะเป็นเหมือนกับดักที่จะทําให้ติดนอกจาก ไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้แล้วก็จะถูกความหลงนี้ทำลายได้อย่างพระเทวทัตนี้ก็มีอิทธิฤทธิ์มีมีพลังจิตมีอุปจารสมาธิแต่ไม่มีอุอเบกขาไว้ต่อสู้กับตัญหาความอยากพอเกิดตันหาอยากจะเป็นผู้ปกครองสงฆ์แนทนองค์พรเจ้าก็ทำให้กล้าไปขอกลาาทูลขอ ขอจากพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความสำนึกว่าตอนเองมีความสามารถมากน้อยเพียงไรพระที่วิเศษวิโสที่เก่งกว่าจการพระเทวทัตมีต้องเยอะแยะทําไมท่านยังไม่กล้าขอมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์ไม่คิดเลยพอขอแล้วไม่ได้รับก็โกรธโกรธก็พอคิดก็คิดทําร้ายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันพอทําไปแล้วที่ก็ต้องไปใช้กรรม ไปตกนรกขุมที่เลิกที่สุดนะจนกาจะหลุดพ้นมาจากนรกนัดถึงจะได้กลับมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมใหม่และได้บรรลุเป็นพระประเจก้าพระประเจกาพระพุทธเจ้าในลําดับต่อไปแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ไปยุ่งกับเรื่องอุปจารสมาธิก็ป่านนี้ก็หลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์ปานแล้วเหมือนกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ นี่เพราะว่าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปยุ่งกับอุปจารสมาธิกันแต่พระเทวทัตนี่ไม่เชื่อชอบเข้าไปหาฤิ์หาเดชก็เลยทำให้สู้กับกิเลสตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้พอไม่ได้ดังใจก็ต้องทำด้วยการทำบาป ก, ก็ไม่ได้อยู่ดีแทนที่จะหลุดพ้น ในพบนั้นชาตินั้นเลยก็ต้องไปตกนรกอีกไม่รู้กีก่หมื่นกี่กี่แสนกี่ล้านปีกว่าจะได้กลับมาบำเพ็ญเป็นพระพุทธพระปกิจเก็บพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่เพราะความหลงผาไปฉะนั้นผู้ใดถ้านั่งสมาธิเราเห็นนูน่นเห็นนี่อย่าไปอวดเกง่งอวดดีอย่าไปคิดว่าเป็นของดีของดีมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอติดมาแล้วนั่งทีไรก็ต้อง ให้เห็นเท่านั้นเองจะไม่สนใจกับเรื่องการที่จะไปบำเพ็ญเพื่อที่จะไปไปต่อสู้กับปัญหาความอยากก็จะติดอยู่ตรงนี้ไปอีกนานถ้าไม่มีกูบาอาจารย์มากระทุง้งมากระแทกก็จะไม่หลุดออกมาได้ง่าย อ, อ, อย่างคุณแม่ชีแก้วนี่ก็เหมือนกันท่านก็มีนิสัยไปในทางอุปจารสมาธิท่านจะติดต่อกับพวก วิญญาโดวิญญาที่ตายแล้วอยู่เรื่อยนั่งสมาธิที่ไหรท่านก็จะเข้าสู่อุปจาระทุกทีเล้วหนูตาบอกกี่หนก็ไม่เชื่อบอกให้อย่าเข้าไปให้มาเข้าในอัปปนาสมาธิเล้วหนุูตาต้องขู่ว่าถ้าไม่เชื่อก็ต้องตัดกันละเราเลิกเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันแล้ะพอขู่ถึงขนาดนั้นถึงถึงยอมถึงได้บรรลุเป็นพระลามในชาตินี้ได้ ถ้าไม่ยอมก็ป่านนี้ก็ยังเล่นกับผีเล่นกับวิญญาณอยู่แน่เลยแต่ออกมาก็สู้กิเลสไม่ได้ทุกทีนี่คือเรื่องของสมาธิขั้นต่างๆมีคำถามอะไรไหมอาจารย์ครับระหว่างทางที่ขับรถมาครับอาจารย์ตอนที่ต่อคิวจอดติดไฟแดงอยู่ครับ มีรถมาแทาโดยที่ไม่ได้อยู่ในคิวครับแต่เราคิดว่าแค่รถคันเดียวไม่ได้ทำให้เราชาร้าขึ้นมาเท่าไหร่ตัวนี้คือปัญญาปัญญาแบบครับอาจารย์ใช่แล้วใช้เหตุใช้ผลเขามาแทกคันเด่งเราจะเสียเวลาไปก็แค่สองสามวินาทีเท่านีนน้ก็ให้เขาไปคิดว่าเป็นการทำทานไปให้เป็นการให้ให้เขาไปก่อน ก็เป็นทานอย่างหนึ่งการให้มันมีหลายรูปแบบเราเพียงแต่เห็นส่วนใหญ่เราเห็นคือให้ข้าวให้ของกันแต่เราไม่เห็นการให้อภัยการให้โอกาสแก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาอาจจะรีบร้อนต้องไปก่อนอาจจะภรรยาเขากำลังท้องจะออกลูก <c oughs> มองในแง่ดีบ้างแล้วก็จะได้อนุโมทนาเอาต้องรีบไปให้เขาไปก่อน คือใจเราเย็นขึ้นใจแล้วเริ่มีเหตุมีผลขึ้นจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมะได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็ทำให้ใจเย็นลงได้ได้นาฬมเแล้วถ้าได้ทำทานได้รักษาสิ่งมันก็ทำให้เย็นลงได้นาฬก็จะทำให้เราให้ในสิ่งที่เราไม่เคยให้ได้เมื่อก่อนนี้ใครมาแทรกนิดก็ไม่ยอมก็จะขยับเข้าแล้วก็ขยับเข้าไป <laughs> แล้วมันได้อะไรเดี๋ยวก็ชนกันแล้วก็ไปไหนไปด้วยกันทั้งคู่ติดอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงเนี่ยวิธีการของคนโง่อของคนที่มีความหลงมีความอยากจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีการยอมกันเราต้องใช้สูตรสามยอมก็ใช่ยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมให้เขาไปก่อนเราก็ได้หยุดต่อสู้กับเขาพอหยุดต่อสู้กับเขาได้เราก็เย็นเราก็สบาย มีใครอยากจะถามในทรั้งนี้ไหมไม่มีเลยไม่มีก็จะได้เลิกกันนะแล้วก็พอสมควรวันนี้ได้พูดมากนะพูดยาวได้เนื้อได้หนังมากกว่าทุกวันนะ ที่ไม่มีคำถามก็ได้คำตอบไปหมดแล้วใช่ไหมดังนั้นก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อมาผลมิพานเพื่อปฏิเวทที่จะตามมาต่อไป